เราก็เรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทกันต่อนะการจะทำความเข้าใจห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทได้นี่ต้องรู้เรื่องขันอย่างถูกต้องมาเลยทบทวนหน่อยก็แล้วกันเรื่องขันขันห้าคือระบบชีวิตเนี่ยพระเจ้าท่านได้ส่ง คนขวาเพื่อให้รู้ว่าชีวิตนี้มีธรรมชาติอย่างไรเจรูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเนื้อตัวชีวิตทั้งชีวิตเขาเรียกขันห้านะเขาเรียกขันห้าทั้งชีวิตเราเนี่ยโดยแยกส่วนชีวิตออกมาเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นนามปรธรรมกับส่วนที่เป็นรูปประธรรมส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรม ประกอบมาจากดินน้ำไฟลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยซึ่งเป็นาธาตุธรรมชาติมาประชุมกันสมดุลกันเข้าทำหน้าที่เป็นร่างกายหรือเจ้ารูปขันตัวเดียวมีร่างกายที่ถึงพร้อมด้วยระบบประสาทมีประสาทตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอันนี้คือส่วนของเจ้ารูปขัน จะรู้ประคันประกอบมาจากธาตุธรรมชาติสี่ตัวคือดินน้ำไฟลมธาตุธรรมชาติก็คือธาตุธรรมชาติดินจะถือเอามาเป็นของเราได้ไหมจะมีเราไปอยู่ในดินไหมตัวเราไม่มีคือณจุดเดิมของการค้นคว้าศึกษาชีวิตพระพุทธเจ้าไม่เคยมีความรู้เรื่อง ว่างจากเราหรือไม่มีเราอยู่ในชีวิตไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้เพราะยังไม่มีใครสอนในโลกยุคก่อนคนทุกคนมีความเชื่อไปในทางว่ามีอัตตามีตัวบุคคลตัวเราหรือแม้แต่ตัวพระเจ้าเลยล่ะมีตัวบุคคลตัวตนตัวเราเนี่ยความเชื่ออย่างนี้เชื่อไปในทางมีอัตตาภาษาธรรมใช้คาว่า ตาุทิฏฐิเวลาพระ เ, เจ้าสอนลูกศิษย์สอนพระโมคคัลลาสพระโมคคัลลาสเธอจงนำความตามเห็นว่ามีเราออกเสียทุกเมื่อเถิดความเห็นว่ามีเราเนี่ยเอาออกเสียทุกเมื่อคือ อ, ออกจากอะไรออกจากตัวชีวิต เ, เอาออกไปเสียทุกเมื่อให้เห็นว่าทุกบรรยากาศทุกเวลาทุกขณะทุกกิริยาเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา มันมีแต่ระบบธรรมชาติล้วนๆทีนี้จากจุดเริ่มพระองค์ไม่เคยมีความรู้เรื่องไม่มีเรามาก่อนท่านก็ต้องคิดว่ามีตัวเองตัวเองที่มีขันห้าหรือตัวชีวิตเนี่ยคือตัวชีวิตของตัวเองมีชีวิตเป็นของเราท่านก็แยกชีวิตออกมาเป็นกองๆเป็นห้ากอง เพื่อที่จะทําการศึกษาค้ขนคว้าวิจัยการศึกษาเจ้าขันห้าเนี่ยก็คือต้องการที่จะรู้ให้จริงลงไปว่าธรรมชาติของชีวิตซึ่งเป็นตัวตนของตอนเนี่ยมันมีธรรมชาติอย่างไรอาจจะทำให้ค้นพบได้ว่าอะไรทํำให้เจ้าชีวิตนี้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายครั้งแรกเนี่ยต้องการจะหาสิ่งที่ทาให้ชีวิตของตัวเองเนี่ย ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายชีวิตของตัวเองก็หมายถึงยังมีตัวเองไหมมีตัวเองทีนี้การย้อนกลับมาศึกษาชีวิตตัวเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายกระจ่างก็เลยต้องแบ่งชีวิตออกเป็นส่วนส่วนและศึกษาไปทีละส่วนค้นคว้าไปทีละส่วนการศึกษาไปทีละส่วนก็ไล่ศึกษาไปจากส่วนที่ ง่ายสุดไปสู่ส่วนที่ลึกละเอียดที่สุดก็เลยเรียงจากรูปรูปนี่ง่ายสุดละในส่วนรูปหรือร่างกายเนี่ยแล้วก็ส่วนที่เป็นนามธรรมท่านก็จะแบ่งนามธรรมในเนื้อตัวชีวิตว่ามีการทําหน้าที่ออกมาเป็นสหน้าตาส่วนที่เป็นนามธรรมทําหน้าที่ออกมาเป็นความรู้สึกของจิตทุกชนิด ความรู้สึกของจิตที่จิตรู้สึกอยู่ถ้าเราดูความรู้สึกแล้วจิตกำลังรู้สึกอยู่มันยังรู้สึกเฉยรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเบื่อรู้สึกอิ่มรู้สึกอะไรก็ตามที่ก่อเกิดขึ้นในใจทุกความรู้สึกเขาเรียกเวทนาขนความเรื่องความรู้สึกก็คือขนความเรื่องเวทนาส่วนที่ทาหน้าที่เป็นการจาส่วนที่ทำหน้าที่เป็นการปรุง สุดนที่ทาหน้าที่เป็นตัวรู้ชีวิตของคนเราหนึ่งชีวิตพระองค์แยกออกมาได้5กองคำว่าหกองกับ5ตัวนี่มันเหมือนกันไหมคำว่าหนึ่งกองหมายถึงว่าในกองนั้นมันมีหลายกิริยาั้มหลายกิริยาแบ่งได้5กองนั้นในเขตกิริยาของกองเจ้ารูปขันก็มีรายละเอียด กองของเวทนากองของสัญญาสังขารวิญญาณก็มีรายละเอียดจากเดิมที่ไม่เคยรู้มาก่อนในเรื่องของความไม่มีเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเนี่ยทำให้ท่านยังเชื่อว่ามีตัวท่านยังเชื่อว่าขันห้าเนี่ยคือท่านนั่นละอย่างน้อยสุดก็เชื่อว่าจิตคือพระองค์และ ความเชื่อว่าจิตคือเรานี้เป็นความเชื่อขั้นพื้นฐานพอคิดว่ามีตัวเราคนก็จะถือเอาจิตเป็นเราเอาจิตเป็นของเราพอพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วการสอนสั่งก็ยังมีบอกว่าเธอทั้งหลายหากเธอจะสำคัญถือเอาว่าจิตเป็นเธอหรือเป็นของเธอสู้ไปสำคัญเอาร่างกายเป็นเราดีกว่า เพราะว่าจิตมันเป็นสิ่งที่เห็นยากถ้าไปเชื่อว่าเป็นเราของเราเข้าไปแล้วมันถอนความเชื่ออันนั้นยากแต่ถ้าไปถือเอาร่างกายคือเราเนี่ยร่างกายมันเข้าใจง่ายเดี๋ยวมันก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วก็ตายให้เห็นอาจจะสิบปีตาย20่ ส, ส, สปีตายให้เห็นก็รู้แล้วเออมันไม่ใช่เราแต่จิตนี่เขาเห็นยากปริชาบอกถ้าจะถือเอา จิตคือเราถือเอากายเป็นเราดีกว่าดังนั้นตอนนี้ถ้าใครเชื่อในทางว่าจิตคือเรามีเราอยู่ในจิตหรือมีจิตเป็นของเราแล้วก็ต้อง อ, ออกเลยนะอันนี้คือข้อหนึ่งนี่การค้นคว้าของพระองค์ค้นคว้าจากส่วนรูปไปก็ปรากฏว่ามันประกอบจากดินน้าไฟลมรลางกายเนี่ยเมื่อยังมีชีวิตหรือแตกทําลายลงไปก็ดินน้าไฟลม มองร่างกายเด็กร่างกายผู้ใหญ่ร่างกายคนแก่ชราก็ดินน้ำไฟลมอันนี้พอเข้าใจง่ายว่าร่างกายประกอบจากดินน้ำไฟลมจะบังคับเอาดินมาเป็นของเราก็ไม่ได้เอาน้ำเอาไฟเอาลมมาเป็นของเราก็ไม่ได้แล้วจะมีตัวเราอยู่ในดินในน้ำในไฟในลมก็ไม่ได้จะบังคับดินน้ำไฟลมก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติล้วนๆของมัน ดังนั้นร่างกายของคนเราจึงไม่มีใครบังคับได้อย่างแท้จริงไม่มีใครจะบังคับได้เพราะมันไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราต้องควบคุมเขาได้ในคำคำนี้พระเจ้าใช้เยอะมากในการสอนซึ่งคนสมัยโบราณเขาไม่ได้คิดซับซ้อนไม่ได้แจกแจงละเอียดท่านข้าถามว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงและบังคับไม่ได้เนี่ย ถ้ามันเป็นของเราเนี่ยเราต้องบังคับมันได้ว่าเจ้ารูปนะเจ้าอย่าแก่นะเจ้าอย่าเจ็บนะเจ้าอย่าหิวนะนี่บังคับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เธออย่าสกรปรกนะก็ไม่ได้เธออย่าปวดนั้นปวดนี้นะก็ไม่ได้คือบังคับไม่ได้เลยเมื่อบังคับไม่ได้การบังคับไม่ได้่ะหมายถึงว่าสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ในอำนาจการควบคุมของคนคนนั้น เมื่อมันไม่ได้อยู่ในอำนาจการควบคุมของคนคนนั้นแสดงว่ามันไม่ใช่ของคนคนนั้นไม่ใช่ของเราอันนี้คือมุมการจะมองว่าไม่ใช่เราเนี่ยเขามองมุมหนึ่งคือมุมถ้าบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงควบคุมไม่อยู่ก็ไม่ควรถือเอามาเป็นของเราออนนี้เขาก็เชื่อมุมว่าไม่ใช่เราแบบนี้ก็มีส่วนเวทนาสัญญาสังขารพุทธเดจ้า ก, ก็มาค้นคว้าเหมือนกัน ตามค้นคว้าแจกแจงแยกละเอียดก็พบว่าเวทนาสัญญาสังขารเกิดจากผัสสะนะอาจารย์สรุปเลยนะเกิดจากผัสสะประเทศไว้เยอะละถ้าไม่มีผัสสะสัญญาขันเวทนาขันสังขารละขันเกิดไม่ได้เลยอันนี้คือการค้นคว้าของพระองค์ทําให้พบคําตอบแล้วสรุปลงมากับเรื่องขันเลยว่า รูปขัน ม, มีเมื่อมีดินน้ำไฟลมสมดุลกันเขา้าเวทนาสัญญาสังขารจะ ม, มีเมื่อมีผัสสะผัสสะคือการกระทบกันเมื่อยังมีการกระทบถึงกันเขา้าความรู้สึกความจำและการปรุงก็จะยังมีอยู่เขา ม, มีเมื่อมีผัสสะและจะดับไปหรือขาดไปเขาใช้ว่าขาดนะขาดไป สิ้นสุดการก่อตัวได้อีกถ้าไม่มีผัสสะทาให้ผัสสะขาดไปได้เมื่อไรเมื่อนั้นสัญญาขันเวทนาขันสังขารขันจะขาดไปขาดไปคาว่าขาดไปหมายถึงว่าเกิดอีกไม่ได้อีกต่อไปคือขาดธรรมดาของสัญญาเวทนาสังขารเป็นสิ่งเกิดดับไหมเกิดดับอยู่แล้วแต่ไม่ขาด เกิดดับแต่ไม่ขาดเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับติดติดติดติ ด, ตดอย่างนี้แต่ไม่ขาดไปคําว่าขาดไปก็คือเมื่อใดก็ตามทําให้จิตเข้าไปถึงจุดที่ผัดสะขาดไปเมื่อนั้นสัญญาเวทนาสังขารก็จะไม่เกิดเมื่อไม่เกิดมันจะมีการปรากฏขึ้นในใจได้ไหม ไม่ได้เมื่อไม่เกิดก็ไม่ปรากฏเมื่อไม่ปรากฏสิ่งนั้นก็ไม่ตั้งอยู่ไม่ตั้งอยู่เพื่อการมีอยู่หรือเพื่อการจะดับไปบางครั้งพระองค์ก็พูดถึงนิพพานเรียกนิพพานว่าความดับนิโรธอริยสัจเนี่ยนิโรธะไปว่าความดับความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีบางครั้งก็ใช้ความดับ เป็นความดับของขันห้าก็มีในบางพระสูตรบางครั้งก็แสดงว่าเป็นความดับของตันหาอุปทานก็มีบางครั้งแสดงว่าเป็นความดับและงับลงแห่งสังขารทั้งหลายก็มีฉันเล็กความดับความดับก็จะเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ส่งคนพบเลยว่าเมื่อปฏิบัติไปถึงจุดที่สมบูรณ์แล้วเนี่ย ขันทั้ง5สามารถดับสนิทได้ไม่มีส่วนเหลือท่านก็ถึงความดับนิพพานคือสิ่งที่แสดงความดับนิโรธะคือความดับเขาถึงความดับสนิทไม่มีส่วนเหลือของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ความสิ้นตัณหาของพระองค์เนี่ยทำให้จิตลุกถึงการดับของสัญญาเวทนาสังขารได้ก่อนก่อนตายเลยละ่ะ อย่างอารมณ์ของพระอรหันต์ที่มีนิพพานเป็นอารมณ์หรือกําลังทรงอยู่กับการเข้าสัญญาเวทิตนิโรธหรือนิโรธสมาบัติอารมณ์เนี้ยคือการดับของสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมณสิการเป็นการดับลงดับลงของสัญญาขันเวทนาขันสังขารลขันแต่วิญญาณขันยังไม่ดับ เพราะว่ารูปยังไม่ดับร่างกายเนี่ยได้แค่ระ ง, งับลมหยุดระ ง, งับแต่ไม่ดับเมื่อไม่ดับประสาทรูปจึงไม่ดับเมื่อประสาทรูปไม่ดับวิญญาณจึงยังอ ย, งอยู่ที่จะตั้งอยู่กับรูปแต่จิตเข้าถึงการระ ง, งับสมบูรณ์เฉพาะส่วนที่ทำหน้าที่เป็นสัญญาเวทนาสังขาร และในภาวะอย่างนี้เป็นความขาดไปของผัสสะอารมณ์อย่างนี้คืออารมณ์ที่พุทธองค์ค้นพบได้ว่าเมื่อใดก็ตามเขาถึงจุดที่ทำให้จิตสิ้นความต้องการได้จิตอย่างนั้นก็จะสามารถทรงตัวบนความดับสนิทลงไปของสัญญาเวทนาสังขารได้สามขันธ์นี้ดับได้และถ้ารูปรขันธ์นั้นดับไปอีกหมายถึงเมื่อสิ้นลมหายใจเนี่ย รูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับเนี่ยวิญญาณขันต์ตัวสุดท้ายก็จะไม่มีที่ตั้งตัวรู้ตัวรู้พระเจ้าได้แสดงไว้ว่ามันเป็นเงาของรูปเวทนาสัญญาสังขารเขาคือเงาเมื่อรูปขันต์ทาหน้าที่รู้รูปจะอยู่ที่นั่นด้วยเลยเช่นตาเห็นภาพเนี่ยรูปภาพก็อยู่ที่นั่นเลยลองเห็นภาพอยากให้รู้เห็นภาพぜ ไม่ได้นะกายรู้สึกอะไรระบบประสาททาหน้าที่รู้สึกอะไรมันจะรู้รู้สึกเลยจิตคิดอะไรก็รู้คิดจิตรู้สึกอะไรก็รู้รู้สึกจิตจาอะไรได้ก็รู้ว่าจาอะไรได้ตัวรู้น่คือเงาที่ตามประกอบอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารถ้ารู้เวทนาสัญญาสังขารดับเงาของมันคือตัวรู้ก็จะดับไปด้วย ตัวรู้จะอยู่โดดโดดไม่ได้ตัวรู้หรือวิญญาณนักขัเนี่ยเขาอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้และเมื่อใดก็ตามสิ่งที่ถูกรู้ยังเหลืออยู่จะไม่มีตัวรู้ก็ไม่ได้ถ้ารูปยังเหลืออยู่ยังไม่ดับรู้รูปก็จะยังต้องอยู่ถ้าความคิดผุดขึ้นรู้คิดจะมาเลยถ้าสัญญาลอยขึ้นรู้สัญญาอยู่ที่นั่นเลยถ้ารู้สึกเด่นชัดขึ้นรู้รู้สึกอยู่ที่นั่นเลย ไม่อาจแยกรู้ออกจากสิ่งที่ถูกรู้ถ้าสิ่งที่ถูกรู้ไม่ปรากฏเลยรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับรู้จะมีได้ไหมไม่ได้วิญญาณขันหรือตัวรู้ก็ดับไปด้วยกันการเข้าถึงอารมณ์ส่วนนี้จากการปฏิบัติมาในถึงจุดที่คลายตัณหาได้สำเร็จ แล้วจิตก่อภาวะที่ทำให้สังขารนั้นระ ง, งับลงทำให้สัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมนสิการหรือสัญญาเวทนาสังขารดับเนี่ยทาให้พระเจ้าทราบได้ว่าการแตกทำลายแห่งกายด้วยวิธีแห่งอารมณ์ที่เป็นความดับสนิทลงไปของสัญญาเวทนาสังขารอย่างนี้ ในจิตสุดท้ายที่ทรงพาไว้อย่างนี้การดับสนิทย่อมดับไม่มีส่วนเหลืออันนี้คือการมองเห็นตั้งแต่ที่ชีวิตยังไม่ต้องถึงการตายลงไปเข้าถึงอารมณ์ได้ก่อนรู้แจ้งอารมณ์การดับสนิทได้ก่อนก่อนตัวจริงๆจะตายอันนี้คือรูปรูปแบบหนึ่งที่ธรรมพุทธเจ้าค้นพบความดับสนิท ว่ามีได้กับจิตที่ปฏิบัติมาแล้วอย่างถูกลักษณะจนทำให้ตัณหาสิ้นไปได้สำเร็จเนี่ยจิตอย่างนั้นจะเข้าถึงนิพพานเป็นอารมณ์หรือเข้าถึงความหลุดพ้นหรือเข้าถึงความระงับสังขารหรือเข้าถึงความหยุดปรุงหรือใช้คาว่าเข้าถึงความดับเข้าถึงนิโรธการเข้าถึงนิโรธค้นพบความดับสนิท ที่สามารถสัมผัสรู้ได้ด้วยจิตที่หยุดการปรุงแต่งอันนี้คือความดับพระพุทธเจ้าค้นพบอย่างนี้ก็รู้ว่าขันทังห้าเนี่ยที่เขาทำงานกันอยู่เนี่ยมันมีโอกาสดับสนิทได้ไหมได้ไหมได้ค้นพบว่ามันมีสิ่งที่ทำให้มันดับสนิทได้ถ้ารูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับแล้วเนี่ย จะมีอะไรไปเกิดมะมไม่มีไปเกิดเพราะเนื้อตัวชีวิตของคนเราทั้งหมดชีวิตก็แบ่งแล้วได้แค่หขันนี่แหละไม่มีขันที่หได้แค่ห้าขันถ้าเหตุปัจจัยในการหล่อเลี้ยงการคงอยู่ของขันนั้นขาดไปขันนั้นก็ดับสนิทลงไปหรือมีการดำรงอยู่เป็นอัตภาพสุดท้าย ทรงอยู่แค่เป็นอัตภาพสุดท้ายทีนี้ถ้าดับสนิทแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าขันมันดับหรือตัวคนนั้นดับขันมันดับไม่ใช่ตัวเขาดับการค้นคว้าของท่านทำให้พบว่าขันทั้งห้าเนี่ยไม่ใช่ของพระองค์ ไม่มีตัวพระองค์อยู่ในเจ้าขันทั้งห้าไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตมันเป็นระบบธรรมชาติลว้ลวนเลยและเจ้าขันท์ห้ามีธรรมชาติที่ทรงตัวทรงตัวเกิดดับอย่างรวดเร็วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีการเกิดดับอย่างรวดเร็วมากรูปรขันธ์ที่เราเห็นว่าอยู่นิ่งๆิ่งเนี่ยมันเคยอยู่นิ่งไหมโดยปกติเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหม จิตก็เหมือนกันระดับของจิตก็เปลี่ยนตัวตลอดเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดทีนี้การเกิดดับของจิตที่เกิดดับอย่างรวดเร็วเนี่ยมันเกิดดับด้วยความเร็วในระดับที่ทำให้ก่อภาวะการทรงตัวเร็วเกินจนทรงตัวเหมือนไม่เคยขาดอย่างเช่นพอดับแล้วเหมือนดับแล้วเกิดอีกเกิดแล้วดับแล้วเกิดอีก เกิดแล้วดับดับแล้วเกิดใหม่การเกิดเข้าเร็วจนเข้ามาแทนที่การดับการเกิดที่เร็วจะมาแทนที่จุดที่ดับได้อย่างรวดเร็วจึงทำให้ขันนี้ทรงตัวเหมือนไม่เคยดับเหมือนหลอดไฟที่เราเปิดทิ้งไว้ไม่เคยปิดสวิตซ์เลยหลอดไฟมันจะดับไหมไม่ดับแต่ในเนื้อตัวของมเองมันเกิดดับแต่เขาเกิดดับเร็วมาก จิตนี้เหมือนกันเขาเกิดดับเร็วการเกิดดับเร็วจึงทําให้เกิดการทรงอยู่ของการทรงตัวของสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเกิดการทรงอยู่เหมือนการทรงตัวที่ไม่เคยขาดไม่เคยขาดหรือไม่เคยดับแต่ในคำว่าไม่เคยดับเนี่ยในเนื้อตัวมันเองมันมีการเกิดดับ อยู่ตลอดเวลานาะทีไม่ใช่ตัวเก่าเลยอย่างเช่นคําพูดเมื่อกี้ของอาจารย์เนี่ยเอาคืนมาได้ไหมไม่ได้คำว่าไม่ได้เมื่อกี้เอคืนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่คือสังขารละขันมีถ่านไปข้างหน้าอย่างเดียวความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นก็ดับไปตัวใหม่เกิดขึ้นตัวเก่าดับไปตลอดวันตลอดคืนความรู้สึกเมื่อเช้ายัางอยู่ไหม มีแต่ของใหม่ตลอดกิริยาก็มีของใหม่ตลอดการจําก็ของใหม่ตลอดทีนี้ของใหม่เข้าบัแทนที่ของเก่ายัางติดเนื่องเหมือนสายน้ําจึงทําให้มีการทรงตัวเหมือนไม่มีระยะที่หายจากสิ่งนี้เลยแต่มันไม่ใช่ของเก่าเลยสิ่งที่ทรงตัวเหมือนไม่เคยขาดไปเลยนี่แหละมันจะให้ชีวิตเนี้ยเหมือนเป็นกลุ่มพลังงานที่ทรงบนภาวะ ของการมีอยู่โดยไม่ดับลงไปเป็นพลังงานที่ไม่เคยดับเลยตลอดการยาวนานแห่งวัฏสงสารเนี่ยไม่เคยมีใครทำให้ขันนั้นดับสนิทได้เลยไม่เคยเลยเราจะพบว่าสิ่งที่มีอยู่เป็นความทรงตัวของขันเลยเนี่ยมีอยู่คือสัญญาสัญญาคือความจำเราดูซิตรงไหนไม่มีการจำหาช่วงที่ว่างจากการจำดิ ดูก็จำได้ว่ากำลังดูมีไหมช่องว่างที่ความจำไม่มีช่องว่างของจิตที่ไม่มีการจำยมหาไม่เจอกำลังดูจำได้ไม้มว่ากำลังดูพยักหน้าจำได้ไม้มพยักหน้าตรงไหนที่ไม่จำ้างไม่มีพูดว่าไม่มีจำได้ไหมว่าพูดว่าไม่มีก็จำได้อะไรผุดขึ้น จำได้ว่าอะไรทันทีจำได้ว่าอะไรกระทบจำได้ว่ากำลังทำอะไรคำว่าจำเนี่ยนั้นช่องที่ไม่มีการจำไม่มีอยู่นิ่งก็จำได้ว่านิ่งรู้สึกอะไรก็จำได้ว่ารู้สึกอะไรอะไรกระทบก็จาได้ว่าอะไรกระทบจำได้ทั้งกิริยาจำได้ทั้งความรู้สึกจำได้ทั้งสิ่งกระทบนั้นช่องที่ไม่มีสัญญาไม่มี ต้องหาช่องซิตรงนี้ขาดจากสัญญาหาไม่เจอนะดังนั้นสัญญานี้หนึ่งตัวที่ไม่เคยขาดความรู้สึกความรู้สึกคือเวทนาภาวะที่ไม่มีความรู้สึกไม่เคยขาดเลยไม่มียมจะเห็นความรู้สึกตลอดตรงนี้ดูซิดูใจเห็นความรู้สึกไหมเห็นรู้สึกอะไรเหนื่อย รู้สึกง่วงรู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมความรู้สึกเนี่ยมีอยู่ตลอดโยมมองเมื่อไหร่ก็เห็นเลยล่ะดูก็เห็นเลยล่ะความรู้สึกเนี่ยลองหาตรงที่ไม่มีความรู้สึกสิมีใครไม่มีความรู้สึกเริอบเป็นก้อนหินก้อนอิดก้อนปูนมันมีไหมอย่างน้อยต้องเห็นรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกเบาเบาหรือรู้สึกเย็นเย็นรู้รู้สึกร้อนร้อนรู้สึกอึดอัดรู้รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกต้องมีรู้สึก ลองหาไม่มีรู้สึกมีไหมไม่มีหาอย่างเนี้ยตอบแล้ว <laughs> ดูรู้สึกตัวรู้สึกก็ทรงตัวนะทรงตัวแต่ใช่ตัวเดิมมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดิมนะเกิดดับเหมือนกันตัวรู้สึกสัญญาเวทนาก็มีอยู่อย่างทรงตัว แต่ในการทรงตัวมันไม่ใช่ตัวเดิมเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างรวดเร็วสองตัวละสัญญาเวทนาสัญญาคือการจำววางๆไปนั่งหาเี่ตรงไหนที่ฉันไม่มีเจ้าสัญญาขันทำหน้าที่บ้างเนาะนั่งดูของจริงหาไม่เจอเพราะกำลังดูก็นั่งก็จาได้ว่ากาลังดูเพราะสัมผัสกับกิริยาของการกระทา โยมสัมผัส ก, กิริยาของการกระทำก็จำได้ว่าทำอะไรถ้าสัมผัสอะไรก็จำได้ว่าทำอะไรดังนั้นอีกหนึ่งตัวคือผัสสะเนี่ยผัสสะก็คือสิ่งที่ทรงตัวอีกหนึ่งสิ่งที่โยมไม่เคยขาดเลยไม่มีขาดจากผัสสะขณะที่เรากาลังดูจิตตรงนั้นใช้สัมผัสกับความรู้สึกไหมกำลังคิดสัมผัสกับความคิด อะไรก็ะทบหูก็สัมผัสกับเสียงตรงไหนไม่มีสัมผัสบ้างลองหาดูซิขณะดูอะไรก็กําลังสัมผัสกับอ น, นั้นละ่ะหาช่องที่ขาดจากผัสสะจิตที่ขาดจากผัสสะเป็นนั่งหาจะหาเจอไหมเนี่ยไม่เจอผัสสะก็ไม่เคยขาดไม่เคยขาด ภาษาคือการกระทบนะกระทบความคิดกระทบความจำกระทบความรู้สึกกระทบภาพกระทบเสียงกระทบกลิ่นกระทบรสกระทบความรู้สึกทางกายนี่คือภาษาภาษาก็เป็นสิ่งทรงตัวอีกหนึ่งสิ่งเมื่อมีการกระทบที่ทรงตัวนะไม่เคยมีระยะขาดหรือมีช่องว่างให้ขาดให้เห็นเลยเนี่ยสัญญาเวทนา สังขารมันจะทรงตัวไหมทรงตัวเพราะภาษะทรงตัวสัญญาเวทนาสังขารก็ต้องทรงตัวอีกตัวหนึ่งคือความตั้งใจตั้งใจเขาเรียกว่าอะไรภาษาธรรมทบทวนคนเก่าดิตั้งใจคือเจตนาคนเราจะยังมีการทรงตัวของความตั้งใจ ไม่มีช่องว่างที่ไม่มีความตั้งใจตรงนั้นจะไม่มีความตั้งใจส่งตัวสัญญาเวทนาส่งตัวผัสสะส่งตัวความตั้งใจส่งตัวตรงไหนไม่มีตั้งใจบา้างหาสิไม่มีสายหน้าก็ต้องตั้งใจจะดูก็ตั้งใจจะฟังก็ตั้งใจอะไรกระทบหูก็ตั้งใจ จะขยับตัวลองไม่ตั้งใจสิเนี่ยตอบก็ตั้งใจพูดก็ตั้งใจพยักหน้าก็ตั้งใจมันนั่งดูจิตว่ามันตั้งใจหรือเปล่าก็ตั้งใจวางจิตเบาๆก็ต้องตั้งใจทำจิตให้ลืมไม่ก่ออะไรก็ต้องตั้งใจดูเฉยๆก็ต้องตั้งใจ ตั้งใจดูเฉยๆตั้งใจดูเบาเบาตั้งใจลืมทุกกิริยาจะต้องถูกเลี้ยงด้วยความตั้งใจตั้งใจดังนั้นคนเรามีความตั้งใจทรงตัวอยู่ไม่มีช่องที่ขาดเลยไม่มีช่องว่างให้ขาดจากเจ้าตัวนี้เลยความตั้งใจเนี่ย ขณะที่ทำสมาธินิ่งระงับเนี่ยตรงนั้นมีความตั้งใจอยู่ไหมตั้งใจอยู่ตั้งใจประคองและตั้งใจดูความนิ่งหรือแม้แต่อรูปฌานขั้นที่8ดเนี่ยตั้งใจจะลืมสัญญาก็ยังตั้งใจความตั้งใจดับได้ด้วยอารมณ์เดียวคือนิพพานเป็นอารมณ์หรือสัญญาเวทีตนิโรธเนี่ยเป็นสภาพที่ดับเจ้าตัวตั้งใจได้ ดับเจตนาได้ไม่มีสิ่งใดทําลายเจ้าเจตนานี้ให้ดับได้เลยการดับความตั้งใจด้วยการตั้งใจจะดับความตั้งใจเนี่ยมันใช่ตั้งใจไหมก็ตั้งใจนั้นทำให้มันหมดความตั้งใจเนี่ยคนนั้นตั้งใจได้ไหมไม่ได้เพราะเมื่อตั้งใจจะดับความตั้งใจ ความตั้งใจก็ไม่หมดนั้นความตั้งใจจะหมดเมื่อมันหมดโดยไม่ตั้งใจมันยากตรงว่าหมดโดยไม่ตั้งใจนี่แหละเจ้าตัวเจตนาเนี่ยนั้นเมื่อความตั้งใจคงอยู่มันก็จะหล่อเลี้ยงอีกหนึ่งสิ่งก็คือกิริยาทุกความตั้งใจจะหล่อเลี้ยงมณสิการมณสิการคือการกะระทำ จิตยังมีการกระทำในทางใจจิตยังมีการกระทำขณะที่ดูจิตเบาๆตรงนั้นใช้กระทำาห ม, มก็กระทำจิตยังกระทำทำจิตให้ลืมทุกสิ่งใช้กระทรมมะําหก็กระทาการกระทำจะถูกหล่อเลี้ยงด้วยความตั้งใจความตั้งใจก็หล่อเลี้ยงการกระทำเขาจึงเรียกว่าเจตนาคือกรรม ความตั้งใจเขาเรียกเจตนาเมื่อใดมีความตั้งใจเกิดขึ้นหมายถึงมันต้องตั้งใจที่จะอะไรสักอย่างเช่นกำลังตั้งใจที่จะฟังเกิดกิริยาคือการฟังจดจ่อต่อสิ่งที่เข้ามาทางขูทันทีนั่นคือตั้งใจจะดูก็เกิดกิริยาจดจ่อต่อสิ่งที่เข้ามาทางตาทันทีหรือจะดูจิต ก็เกิดกิริยาที่จดจ่อต่อการสังเกตอาการของจิตตันดีคือตั้งใจจะทำให้เกิดกิริยาอีกหนึ่งสิ่งเรียกมะณะสิการยังมีการกระทาทีนี้การกระทาของจิตเนี่ยก็มีหลายระดับการกระทาในภายในล้วนๆอันนี้คือระดับการกระทาภายในเช่นดูจิตวางจิตประคองจิต พยายามจะปล่อยอารมณ์นี่คือการทำในใจล้วนด้วยการกระทำลงไปในทางจิตกับการกระทำที่ขยับให้เกิดกิริยาอยากขึ้นมาเช่นการคิดจิตปรุงการคิดคิดใช้กระทำไหมกระทำการคิดคิดโดยไม่ตั้งใจได้ไหมไม่ได้นโะยมจะคิดอะไรเนี่ยการคิดจะถูกขับเคลื่อนด้วย เจตนาเจตนาเป็นแรงขับให้การคิดนั้นเคลื่อนตัวนะทุกครั้งที่คิดจะต้องถูกขับจากความตั้งใจหรือเจตนาการคิดจึงจัดเป็นส่วนหนึ่งที่จิตยังมีการกระทำแต่เป็นการกระทำที่จะปรุงอยู่ในรูปถ้อยคำภาษาออกมาเป็นความคิด ออกเป็นถ้อยคําภาษาหรือเป็นวิตกวิจารณ์หรือเป็นคําพูดต่างๆในใจนก็เรียกว่าเป็นการปรุงหรือเป็นการกระทําอย่างหนึ่งของใจที่อยู่ในรูปความคิดกับจิตยังมีการกระทําโดยผ่านออกมาทางวาจาได้ไหมได้ด้วยการพูดอย่างคําว่าได้มเมื่อเี่จิตขยับตัวออกมาเป็นการปรุงคําว่าได้ผ่านวาจามาเลย การพูดคำว่าได้เนี่ยมีความตั้งใจไหมมีถ้าไม่มีความตั้งใจก่อกาเนิดขึ้นในใจเนี่ยจิตจะขยับกิริยาส่งผ่านออกมาเป็นคำพูดได้ไหมไม่ได้นั้นการพูดก็คือการกระทําในใจที่จิตยังคงอยู่แต่กระทาผ่านวาจาการกระทาทางกายต้องมีเจตนาไหมโยมยกมือขึ้นอย่ามีความตั้งใจสิได้ไหมไม่ได้ การกระทําทางกายก็ต้องขับจากเจตนาเจตนานี้คือส่วนทําหน้าที่ของกายหรือจิตเจตนาเป็นกิริยาของกายหรือจิตจิตเมื่อจิตมีเจตนาแรงขับกิริยาจึงเกิดขึ้นแรงขับกิริยาส่งผ่านออกมาทางกายเลยทําให้เกิดการเคลื่อนตัวด้วยรูปแบบต่างๆอาจลุกอาจนั่งอาจเดินอาจเกาอาจกุดน้นําลายอาจกระพริบตาลองกระพริบตาแบบไม่มีเจตนาดิ ก็ไม่ได้พอจะกระพิบตาทีต้องตั้งใจแต่บางครั้งความตั้งใจเข้าเร็วจนให้ความรู้สึกเหมือนไม่ตั้งใจแต่นั้นคือตั้งใจแต่เร็วเกินกว่าจะรู้ทันความรู้ว่าตั้งใจเราจึงคิดว่าเราไม่ตั้งใจแต่จริงคือจิตตั้งใจคือมีเจตนาสร้างให้กิริยาเกิดได้แล้วตรงนั้นทุกกิริยาที่เกิดได้ ต้องมีเจตนาต้องมีน้ำหนักเหมือนรถเนี่ยจะขับเนี่ยถ้าไม่กดน้ำหนักไปที่คันเร่งเนี่ยรถจะขยับไหมพอกดปั๊บขยับปุ๊บกดปั๊บก็ขยับปุ๊บเจตนาให้น้ำหนักแห่งการขับเคลื่อนกิริยานี่คือเจตนาหรือความตั้งใจเมื่อมีความตั้งใจอยู่การกระทำ ในทางใจก็จะยังมีอยู่การกระทําในทางใจนะคือจิตยังไม่หยุดกระทําเมื่อยังไม่หยุดกระทําก็คือยังไม่หยุดกิริยายังไม่หยุดกิริยาเวลาโยมจะเดินจะยืนจะนั่งจะพูดจะคิดนี่นคือจิตยังขยับกิริยายังขยับกิริยาอยู่ถ้าสิ้นกิริยาเลยโดยสมบูรณ์เหมือนตอไม้เลย เหมือนก้อนหินเลยแต่ถ้ายังขยับนิดหนึ่งแล้วว่ายังมีกิริยาไหมมีก้อนหินอยู่นิ่งๆเราคิดมันยังไม่มีกิริยาแต่ถ้าขยับนิดนกิริยาเกิดแล้วดังนั้นเมื่อจิตขยับตัวนั้นคือกิริยาเกิดแล้วแต่คําว่าสิ้นกิริยาก็คือสิ้นการขยับสิ้นการก่อเกิดทุกกิริยาใดๆทั้งสิ้นเลยเนะนี่ยนี่คือภาวะที่มณสิการดับลง จะสิ้นกิริยาต้องสิ้นอะไรอะไรทำให้กิริยาทั้งหลายมีไม่ได้เจตนาต้องดับถ้าเจตนาไม่ดับกิริยาก็ไม่หมดกิริยาของจิตหรือมนานสิการเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทรงตัวโยมลองดูซิตรงไหนไม่มีมนานสิการบ้างตอนกำลังดูนี้ใช้มนานสิการมใช่พยักหน้าใช่ พูดก็ใช่ตรงไหนมันอยู่นิ่งๆแบบไม่ขยับตัวบ้างมีมั้มตรงกำลังดูพอจะนิ่งปุ๊บก็ดูทันทีนั่นก็คือการกระทำนี่หน้าตาของมนสิการเนี่ยก็ส่งตัวหน้าตาของเจตนาก็ส่งตัวหน้าตาของภาษะก็ส่งตัวสัญญาเวทนาก็ส่งตัว เมื่อสัญญาเวทนาเจตนาผสมมนสิการทรงตัวก็เลยทำให้อีกสิ่งหนึ่งทรงตัวไปด้วยคือวิญญาณตัวรู้ลองหาช่องที่ไม่มีตัวรู้ซิมีไหมตอนนี้ตรงไหนที่เราไม่มีตัวรู้บ้างไม่มีวิญญาณนักขันก็ทรงตัวตัวรู้และตัวรู้เนี่ยถ้าเขากำลังรู้อยู่กับอะไรตรงนั้นคือ ผัสะทันทียอมรู้อยู่กับความคิดตรงนั้นก็คือสัมผัสกับความคิดรู้กับความรู้สึกตรงนั้นก็คือสัมผัสกับความรู้สึกรู้ต่อภาพก็คือสัมผัสต่อภาพนั้นถ้ารู้ยังอยู่ก็คือกำลังรู้อยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ถูกมเมื่อเขาอยู่กับสิ่งที่ถูกรู <TER> ้ตรงนั้นเขากำลังสัมผัสกับสิ่งที่ถูกรู้มสัมผัส เมื่อรู้ตั้งอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ตรงนั้นก็ทำให้เกิดการกําลังสัมผัสอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้เม <streams. S 2> ื่อสัมผัสกับสิ่งที่ถูกรู้การจำได้ต่อสิ่งที่ถูกรู้จะไม่มีได้ไหมไม่ได้การรู้สึกต่อสิ <relatives> ่งที่ถูกรู้ก็ก็ต้องมีการเจาะจงลงไปในสิ่งที่ถูกรู้มีได้ไหมก็ต้องมีนั้น เมื่อตัวรู้ยังอยู่ผัสสะก็ยังต้องอยังอยู่เมื่อผัสสะยังอยู่สัญญาเวทนาสังขารจะยังอยู่ไหมยังอยู่เมื่อสัญญาเวทนาสังขารยังอยู่จะไม่ให้มีตัวรู้ได้ไั้มก็ไม่ได้อีกตัวรู้ก็ต้องเป็นเงาของมันและเมื่อมีเงาอยู่กับมันผัสสะจะมีไหมก็มีอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อใดก็ตามมีสัญญาเวทนาสังขาร เมื่อนั้นวิญญาณจะมีแล้วเมื่อวิญญาณมีอยู่ตรงนั้นผัสสะก็จะยังมีเมื่อผัสสะมีอยู่การแตกตัวเป็นสัญญาเวทนาสังขารตัวใหม่มีได้อไหมก็ได้อีกเมื่อสัญญาเวทนาสังขารตัวใหม่แตกตัวขึ้นมาวิญญาณที่ประกบรู้กับสัญญาเวทนาสังขารเนี่ยใช้ตัวใหม่ไหมก็ตัวใหม่อีกด้วยเหมือนกันกลายเป็นว่า สัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเขาอยู่ด้วยกันและหล่อเลี้ยงตัวเขาเองเกิดดับอยู่ในตัวเองตลอดเวลานาทีไม่มีระยะขาดหรือดับตัวลงไปเลยนี่ทาไงดีมันไม่ยอมดับสัญญาเวทนาสังขารไม่ดับวิญญาณก็ไม่ดับวิญญาณไม่ดับสัญญาเวทนาสังขารก็ไม่ดับ เมื่อไม่ดับแล้วทรงตัวไวอยู่ด้วยกันการสัมผัสการก่อเกิดของสัญญาเวทนาสังขารวิญ ญ, ญาณก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นเป็นสันตติไม่ขาดช่วงเลยเมื่อไม่ขาดช่วงเลยจึงก่อให้เกิดการทรงรูปพลังงานของขันที่ไม่เคยดับสนิทมาเลยตลอดการยาวนานการไม่เคยดับสนิทมาเลยนี่แหละจึงทําให้ขันเนี้ผ่านเวลาของการบ่มเพาะ นิสัยปรับภูมิปรับภาวะปรับกระแสปรับบา ร, รมีจนทำให้จิตหลึกขันที่เกิดดับเนี่ยมีระดับภูมิของความบริสุทธิ์ไม่เท่ากันคําว่าสัญญาเวทนาสังขารที่เกิดดับเนี่ยมันก็มีในชั้นที่สะอาดไม่สะอาดนะอย่างบา ร, รมีสิประการเนี่ยเราจะต้องเข้าใจอยู่ข้อหนึ่งว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ย ขันทั้งห้าไม่เคยดับสนิทเลยที่ดับได้คือเจ้ารูปขันรูปขันนี้ดับได้เมื่อสิ้นลมแต่สัญญาเวทนาสังขารวิญญาณทรงตัวทรงตัวปัจจุบันเรามีชีวิตอยู่นะ่ะตาเห็นหนู่ยเห็นนี่เราก็คิดเคยไหมบางภาะวะเรานั่งคิดอยู่ในใจคนเดียวโดยไม่สัมผัสอะไรเคยไหมมันสัมผัสแต่โลกในใจของมันตัวเดียว และหล่อเลี้ยงการทรงอยู่กับโลกในใจโดยที่ไม่ต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายเลยนั่นคือการสัมผัสหล่อเลี้ยงตัวเองในใจได้ลุ้นล้วนถึงภาวะที่กายแตกทำลายเขาก็หล่อเลี้ยงตัวเองด้วยโลกในใจลุ้นล้วนได้อีกเหมือนกันโดยไม่ต้องพึ่งรูปอีกแต่ในภาวะอย่างนั้นถึงแม้จะเหลือสัญญาเวทนาสังขารวิญ ญ, ญาณลุ้นล้วน ในโลกของใจก็ยังมีการสัมผัสได้อีกคือจิตที่ทรงตัวอยู่โดยไม่ดับไปเมื่อกายแตกเนี่ยเขาทั้งสัมผัสสัญญาเวทนาสังขารในตนเองและสัมผัสสภาพกระแสแวดล้อมของจิตภายนอกได้ด้วยเหมือนกันเมื่อสัมผัสจากจิตภายนอกก็เกิดการปรุงสัญญาเวทนาสังขารในตัวเองขึ้นอีกถ้ามีชีวิต ก็จะเกิดการสัมผัสภายนอกก็คือสัมผัสต่อรูปเสียงกลิ่นรสผลธรมชาถูกไหมแต่ถ้าทรงตัวอยู่เป็นส่วนที่เป็นนามล้วนเนี่ยเขาสัมผัสทั้งตัวเขาเองและสัมผัสของโลกนามบธรรมาภายนอกได้ด้วยเหมือนกันการสัมผัสภายนอกทําให้เกิดสัญญาเวทนาสังขารได้ไหมก็ได้อันนี้คือการยังมีสัญญาเวทนาเจตนาปัสตมนสิการแล้วก็วิญญาณอยู่ไม่ดับ เมื่อไม่ดับอายุไขแห่งการทรงตัวเนี่ยมันเหมือนมันจะมีอายุไขเหมือนคนยิงพุ้ขึ้นไปยิงขึ้นไปสุดแรงผู้แรงหมดผู้มันตกไหมตกเมื่อตกก็มาเริ่มใหม่เหมือนชีวิตเนี่ยการก่อกำเนิดการเกิดเนี่ยการแตกทำลายคือการที่จิตเหมือนยังคงค้างกระแสอารมณ์ที่ยัง ทำให้ทรงอยู่ในภูมิที่หล่อเลี้ยงตัวมันเองได้โดยไม่ต้องตั้งอาศัยรูปขันแต่เมื่อส่วนแห่งพลังการหล่อเลี้ยงนั้นคลายตัวลงก็เหมือนผู้ที่ยิงไปแล้วหมดแรงก็จะหล่นลงมาเพื่อตั้งต้นอีกนี่คือกลไกของเขาแรงหมดคําว่าแรงหมดก็เรียกหมดอายุไข่แรงหมดในภูมิก็หล่นคําว่าหล่นคือเคลื่อนเคลื่อนแล้วเนี่ยจิตก็จะ ตั้งอยู่กับรูปที่สมดุลพอติดอยู่กับรูปได้เนี่ยแยกไม่ออกละอย่ที่คนไกที่เขาจะจุติติดเนื่องอยู่กับรูปมันไม่อาจแยกวิญญาณออกจากปราทรูปได้อีกต่อไปถ้ามันติด ก, ก็จะรู ป, ปรขันก็ไปแล้วเนี่ยทีนี้พระเจ้ามาค้นพบว่าขันทั้งห้าเนี่ยมันไม่ใช่เราเนี่ยมุมหนึ่งและค้นพบได้ว่า ขันทั้งห้าดับสนิทได้ไหมถ้าทำให้ถึงจุดของความสิ้นตัณหาได้ใช่ไหมเหมือนไม่มั่นใจเลยนะได้นะนะการจะดับเจตนาเนี่ยเขาไม่สามารถดับที่ตัวเจตนาความลับเขาจะไปดับที่มรณาสิการคือการกระทาในทางใจถ้าสิ้นสุดการกระทาเจตนาจะดับ เขาไม่ดับที่เจตนาอย่างเช่นโยมจะพูดอะไรออกมาเนี่ยจะต้องมีเจตนาขับการพูดไหมโยมพยักหน้าต้องมีเจตนาไหมมีถ้าโยมไม่พยักหน้าเจตนาที่จะขับการพยักหน้าเนี่ยมันจะมีไหมไม่มีโยมไม่พูดเจตนาที่จะขับการพูดมันจะมีมหมไม่มีโยมไม่ขยับตัวเลยเจตนาที่จะขยับ จะส่งให้ตัวเราขยับมันจะมีไหมไม่มีโยมไม่คิดเจตนาที่จะขับการคิดมันจะมีไะมไม่มีหยุดไปที่การกระทําเมื่อนั้นเจตนาจะไม่ก่อตัวทีนี้คนเราจะสิ้นสุดการกระทําได้โดยแท้จริงบริบูรณ์เนี่ยเมื่อจิตนั้นเฉยเต็มที่ คำว่าเฉยเต็มที่มีอารมณ์เดียวคืออารมณ์ที่ไม่ต้องการสิ่งใดโดยแท้จริงพระเจ้าบางคนพบภาวะที่จิตเข้าถึงสภาพที่ไม่ต้องการสิ่งใดโดยแท้จริงเนี่ยคือความสิ้นตัณหาเนี่ยอารมณ์ที่เข้าใจโลกมันให้รู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าต้องการเลยเนี่ยพอรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าต้องการเลยแล้วจิตมันเข้าไปในอารมณ์ของภาวะที่ ไม่ต้องการสิ่งใดโดยแท้จริงพอไม่ต้องการโดยแท้จริงเนี่ยการขยับกิริยาทั้งหลายหยุดหมดเลยเวลาโยมต้องการอะไรปุ๊บเนี่ยกิริยาขยับเลยจริงไหมพอต้องการปุ๊บมันคิดเลยพอต้องการปั๊บมันจะพูดพอต้องการความต้องการมันหล่อเลี้ยงการขยับกิริยาหล่อเลี้ยงได้ดังนั้น ในอารมณ์ที่คนเข้าถึงจุดที่ทำให้จิตไม่ต้องการอะไรเนี่ยจิตมันจะหยุดกิริยาเมื่อกิริยาหยุดเจตนามันหยุดไหมไหมช้าๆพอไม่ต้องการอะไรใจมันจะเฉยหยุดของมันเองเมื่อเฉยหยุดกิริยามันจึงดับระงับตัวลงไป เมื่อกิริยาของจิตระ ง, งับตัวลงไปตรงนั้นเจตนามันจะมีไหมไม่มีแล้วเจตนาไม่อาจก่อเกิดได้เพราะกิริยาระ ง, งับไปเนื่องจากจิตนั้นเฉยหยุดเฉยเพราะไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรจึงเฉยแล้วหยุดหยุดคือหยุดเลยเพราอหยุดโดยสมบูรณ์แล้วกิริยาของจิตทั้งหมดระ ง, งับตัวหมด เมื่อกิริยาละ ง, งับตรงนั้นเจตนาละ ง, งับไหมเจตนามีได้ไหมเนี่ยถ้าจิตไม่มีกิริยาได้ัหมไม่ได้นะเมื่อกิริยาดับเพราะจิตไม่ต้องการอะไรเจตนาที่ขับเคลื่อนกิริยาก็เกาะตัวไม่ได้ภาวะนั้นมนสิการดับเจตนาดับจิตอยู่กับที่ไม่ขยับตัวเลย และไม่ได้ก่อเกี่ยวอะไรทั้งภายในภายนอกด้วยเมื่อไม่ขยับตัวใดๆเนี่ยการสัมผัสกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะมีได้ไหมไม่ได้เลยเมื่อไม่มีการขยับการสัมผัสกระทบสิ่งใดมีไม่ได้เลยเมื่อไม่สัมผัสสัญญาเวทนาสังขารจะมีไหมไม่มีก็ขาดไปเมื่อตัณหาสิ้นไปจิตจะทรงภาวะที่ไม่ต้องการสิ่งใดโดยแท้จริงเนี่ยทาให้จิต หยุดกิริยาทั้งปวงนั้นคือมณสิการดับเมื่อกิริยาดับเจตนาก็ดับเมื่อเจตนาดับผัสสะก็ขาดโยมจะดูอะไรเนี่ยตาถึงภาพเนี่ยใจมันเจาะจงไปในภาพเหมือนน้อมไปเกาะเสียงกระทบก็น้อมไปเกาะจะดูจิตก็น้อมไปเกาะแต่ถ้าหมดความตั้งใจแล้วจิตเกาอยู่กับที่มันไม่เกาะอะไรเลยผัสสะก็ขาดไป เมื่อภาษะขาดสัญญาเวทนาสังขารก็ขาดไปขาดไปที่ความสิ้นตันหาขาดไปที่ความสิ้นตันถามุมเดียวเท่านั้นเลยมุมเดียวที่ดับเจตนาได้และไม่ได้ดับไปที่ตัวเจตนาดับไปที่มณสิการมณสิการขาดไปเพราะจิตเข้าถึงอารมณ์ที่หยุด เพราะไม่ต้องการสิ่งใดเหมือนโยมเนี่ยถ้ายังต้องการอะไรโยมจะหยุดไหมไม่หยุดฉันไม่หยุดแต่เมื่อใดหยุดคือมันไม่ต้องการล้จิตพอเข้าถึงอารมณ์ที่ไม่ต้องการจริงๆได้เนี่ยระดับความระ ง, งับที่สมบูรณ์ของจิตจะเกิดขึ้นในภายในที่เขาหยุดระ ง, งับตัวเองเพราะไม่ต้องการและทรงบนความไม่ต้องการตรงนั้นเนี่ย จะก่อให้เกิดความดับของเจตนาผัสสะสัญญาเวทนาสังขารเพราวะว่านั้นก็คือมีนิพพานเป็นอารมณ์เลยง่ายไหมเป็นฉายภาพเห็นคร่าวๆว่าการจะดับสัญญาเวทนาสังขารต้องดับผัสสะจะดับผัสสะต้องดับเจตนา จะดับเจตนาต้องสิ้นมนสิการจะสิ้นมนัสิการต้องสิ้นตัณหากลับไปที่ตัณหาอยู่ดีนั่นเองยังไม่ได้เริ่มปปิดติดเลยเนี่ยปปิดติดมันยากนะต้องรู้ก่อนว่าคำว่าความดับพพุทธเจ้าเนี่ยสัมผัสรู้ได้แล้วเมื่อถึงความสิ้นตัณหา สิ้นตันหาทำให้รู้ได้ว่าขันห้าสามารถดับสนิทได้ไหมได้เมื่อขันห้าดับสนิทพลังงานของขันที่ไม่เคยดับมาเลยตลอดการยาวนานเนี่ยมันคือดับเลยนะกายแตกแต่ขันเนี่ยมันไม่เคยดับตราบเท่าที่ยังไม่มีความสิ้นตันหาสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณก็ทรงตัวอยู่อย่างนั้นแหะนะไม่ต้องกลัวว่าขันจะดับ ไม่ดับสรงตัวอยู่อย่างนั้นทีนี้การสรงตัวไม่ดับเนี่ยเขาเรียกว่ายังมีความเป็นแต่ถ้าดับก็คือมันเป็นไหมไม่เป็นยังส่งตัวไม่ดับก็เรียกว่ายังมีความเป็นอยู่นั้นคำว่าพบจริงๆหรือความเป็นเนี่ยหมายถึงสภาพที่ขันยังดับไม่สนิทเหมือนคนเราตายไม่สนิทก็จะเรียกว่าตายหรือยังสลบนี่เรียกว่าตายไห ต้นไม้หนึ่งต้นท่านเคยเปรียบกับต้นไม้ต้นไม้ที่รากยังแข็งแรงแม้ลำต้นถูกตัดแล้วแต่ถ้าบุคคลยังถอนตันหานุใสไม่ได้ขาดก็ย่อมเกิดขึ้นเรื่อยๆได้ฉันนั้นหมายถึงยังถอนมาไม่ได้ขาดต่อให้ลำต้นถูกตัดแล้วเนี่ยมันก็ยังงอกอีกได้ฉันนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยยังมีความเป็นไหมถ้ายังไม่ตาย แล้วตัดเขาเหลือครึ่งต้นแต่ว่าเขาก็ยังไม่ตายเรียกว่ายังมีความเป็นไหมมีความเป็นเหลือแต่ตอแล้วเผาตอซะอีกแต่ลากยังไม่ตายเรียกว่ายังมีความเป็นไหก็ยังเป็นขุดลากออกมาตัดลากมาเป็นท่อนๆลากมันก็ยังไม่ตายอีกมันยังเป็นเนี่ยถ้ามันไ่เจอดินที่สมดุลมันก็แตกได้อีกเรียกว่ามันยังเป็นไหก็ยังเป็นเมื่อยังมีความเป็น ก็หมายถึงว่ามันยังงอกได้อีกยังมีความเป็นและหมายถึงว่ามันตายสนิทไหมแต่ถ้าตายสนิทเลยคาว่าตายสนิทจะเรียกว่าเหลือความเป็นไหมยมเออไปซื้อปลาที่ตลาดหนึ่งตัวแม่ค้าวิสาทุบหัวให้เสร็จมาถึงหม้อมันยังดิ้นอยู่เลยเรียกว่ายังมีความเป็นไหมยังมีความเป็นเมื่อยังมีความเป็นหมายถึงมันดับหรือยังยังไม่ดับเมื่อยังไม่ดับ ก็ค <c oughs> ือยังมีความเป็นเมื่อเข้าถึงความดับได้ก็คือสิ้นความเป็นนิพพานเนี่ยบางครั้งเขาเรียกนิโรธะคือความดับความดับเราจะต้องรู้จักกับว่าความเป็นในมุมนี้ว่าหมายถึงภาวะที่ขันยังดับไม่สนิทเหตุที่พระเจ้า แสดงคำว่าพบขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ารู้ได้ว่ามันมีคู่ตรงกันข้ามคือว่าสภาวะแท้จริงเนี่ยบุคคลสามารถเข้าถึงความดับได้ถ้ามีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมดับได้ไหมถ้าตัณหาดับมนัสิการดับไหมดับเจตนาดับสัญญาเวทนาสังขารดับแล้วถ้ากายแตกไปอีกก็รูปดับรูปดับเวทนาสัญญาสังขารดับวิญญาณมีที่ตั้งไหมไม่มี ก็ดับหมดตัณหาดับขันห้าดับได้หมดแล้วทำไมมันจึงดับไม่หมด mm. ก็เพราะยังมีตัณหานะตัณหายังไม่ดับดะนั้นถ้ายังดับไม่หมดก็เรียกว่ายังมีความเป็นเหมือนคนเราตายไปเนี่ยแต่เราคิดว่าพอสิ้นลมแล้วเนี่ยคือเราตายจากโลกนี้ไปแล้วใช่ไหมแต่กายแตกแต่จิตมันยังคงอยู่เรียกว่าตายจริงไห ไม่จริงเดี๋ยวก็มางอกอีกอย่างนี้นเขาจริงเลย ว, ว่ายังเป็นอยู่ยังไม่ดับเธอยังอยู่อาจจะมาเข้าฝันฉันก็ได้คือยังอยู่เธอยังไม่ได้ดับเธอยังอยู่เพียงแต่ไอ้ที่ดับอะคือกายแต่มันดับไม่หมดยังมีวิญญาณเป็นเชื้องอกอยู่เลยบางคำพระเจ้าเล็กบุคคลมันมีวิญญาณเป็นเชื้องอกมีตัณหาเป็นอย่างเหนียวถ้าดับหมดก็จะเหลือความเป็นไหม ยังไม่เหลือนะนั้นคําว่าความเป็นเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกมันไม่ใช่ความคิดแต่มันเป็นภาวะแห่งการยังทรงอยู่ของขันที่ยังดับไม่สนิทนั้นคําว่าพบเนี่ยไม่ใช่สิ่งเกิดดับพบเนี่ยคือความยังเป็นคําว่าสิ้นพบใช้ได้กับคนเดียวเท่านั้นคือใคร พระอรหันต์อรหันต์เท่านั้นเคยได้ยินไหมโสดาสกัาคานาคาปฏิญญาวัชชันสิ้นพบแล้วเนี่ยมีไม่ไ ม, ม, มีนั้นคําว่าพบเนี่ยคือความเป็นตลอดเวลายาวนานสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณไม่เคยดับไปเลยไม่เคยขาดเลยในช่วงเกิดตายหลายพันปีหลายกับหลายสงไข่เนี่ยจะเรียกวความเป็นมันหายไปไหมความเป็นไม่เคยหายไปเลย เมื่อไม่เคยหายไปเลยเนี่ยพบเนี่ยจึงทรงตัวอย่างยาวนานเน็าเรียกพระวาสวะเลยคือหมักดองกันมานานและไอพบเนี่ยไม่เคยขาดไปเลยและพระวาสวะคนประเภทเดียวที่ทาให้ความเป็นสิ้นสุดลงไปคือคนที่สิ้นตัณหาเท่านั้นพบสิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพอเข้าถึงจุดที่รู้ได้ว่าทำให้ตัณหาสิ้นแล้วเน่ย ก็รู้ด้วยปัญญาได้ว่าขันนี้ดำรงอยู่เป็นอัตภาพสุดท้ายไหมสุดท้ายไหมสุดท้ายรู้ได้ว่ามันเป็นอัตภาพสุดท้ายเมื่อกายแตกแล้วจิตทรงด้วยอารมณ์ของความสิ้นตัณหาเนี่ยขันมันจะเหลือไหมไม่เหลือเมื่อไม่เหลือจะมีอะไรไปเกิดไหไม่มีแต่ถ้าเหลือยังมีอะไรไปเกิดไหมมี ถ้าเหลือเนะี่ยมันมีนะฮะมีอะไรไปเกิดแต่ถ้าไม่เหลือมันก็คือไม่มีอะไรไปเกิดแล้วถ้ามีขันไปเกิดใหม่เนี่ยมันใช่เราไปเกิดใหม่ไหมก็ไม่ใช่อีกแต่ขันไปงอกใหม่ไม่ใช่เราไปเกิดใหม่คือขันมันไปงอกใหม่ไปก่อรูปกันใหม่ที่พระเจ้าจึงมองหาเบื้องต้นไม่เจอว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนะี่ยมีจุดกำเนิด ของการทรงตัวบนความเกิดตายมายาวนานแค่ไหนคือมันไม่เคยดับมาเลยวงกลมมันไม่เคยดับเวียนเกิดเนี่ยถ้าดับก็คือพ้นไปจากการเวียนมาเกิดเนื่องจากไม่เหลืออะไรจะเกิดคือดับสนิทนั้นการปฏิบัติธรรมก็จะต้องมาให้ถึงนิโรธอริยสัจคือหมายถึงความดับพระเจ้าใช้คำว่าความดับ นิโรธเมื่อถึงความดับก็สิ้นความเป็นเมื่อยังมีความเป็นก็คือยังไม่มีความดับเมื่อยังมีความเป็นก็คือยังไม่ถึงความดับเมื่อถึงความดับก็คือสิ้นความเป็นก็ไว้เป็นคู่ตรงข้ามกันเลยนั้นความเป็นในที่เนี้ยต้องมองให้เห็นด้วยปัญญาหรือรู้ได้ด้วยความรู้สึกเหมือนต้นไม้หนึ่งต้นเราดูว่าเนี่ย เรารู้แม้ว่าเขายังเป็นอยู่แต่ท้้นไม้เหลือแต่ตอแห้งเหี่ยวดูดูได้ตาแล้วใช้ปัญญาคิดนะเรารู้ได้ว่าเขาตายหรือยังไม่ตายเนี่ยรู้ได้ไมอืมได้รู้ผิดได้ไหมได้เห็นมันแห้งเสร็จแล้วเราไม่เห็นถึงรากเนี่ยเราก็คิดมันตายแล้วเนี่ยวันดีออกเขาแตกมาอีกแล้วดังนั้นเมื่อเขายังแตกได้แสดงว่าเขายังมีความเป็นไหมเหมือนคนถ้ายังเกิดได้ไหมายถึงยังมีพบไหม ยังมีพบถ้ายังเกิดได้อีกคื อ, คอยังพบยังมีพบเหมือนต้นไม้ถ้ายังแตกได้อีกแก่ยังมีความเป็นเพอพบแปลว่าความเป็นความเป็นดังนั้นคำว่าความเป็นเนี่ยไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณคำว่าความเป็น แต่คำว่าความเป็นหมายถึงว่าเจ้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันยังดับไม่สนิทก็เลยเรียกว่ามันยังมีความเป็นหรือขันยังไม่เข้าถึงความดับได้ก็ยังเป็นดังนั้นคำว่าพบสิ้นแล้วทันทีที่หลุดพ้นสิ้นตัณหาพาระละหันเนี่ยท่านจะรู้ด้วยปัญญาว่าจิตในสุดลึกเนี่ยหมดความต้องการทุกสิ่ง และสามารถท่งภาวะที่เห็นความดับของสัญญาเวทนาเจตนาภาษามนุษยการได้แต่ดับวิญญาณไม่ได้เพราะลมหายใจยังไม่ดับอรหันหลุดพ้นแล้วหมดลมเลยไหมถ้าหมดลมพุทธเจ้าไม่ได้สอนแน่เลยนะเพราะหลุดพ้นแล้วหมายถึงว่าจิตนั้นระงับสิ้นสุดการปรุง เข้าถึงอารมณ์สิ้นตัณหาทำให้เขาเห็นสภาพที่ดับสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมนสิการในภายในได้แต่รู้ไม่ดับเพราะรูปยังอยู่การที่รู้ไม่ดับนั่นแหละทำให้รู้ตัวเนี้ยได้รู้อยู่บนความดับเรียบของสัญญาเวทนาสังขารได้ณนะก่อนตายยังมีรู้นะ สัญญาเวทยิตตนิโรดนี้ยังมีรู้ไม่ใช่หายไปเลยถ้าหายไปเลยเขาเรียกหลับนั่งหายเลยนะหลับแต่ถ้าสัญญาเวทยิตตนิโรธนี้ไม่หลับแต่เป็นรู้ที่ทรงอยู่เป็นความดับของสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมนานสิกาแล้วรู้อยู่รู้ตัวนี้ยังมีเพราะรูปรขันยังไม่แตกใช่ไหม อยังไม่แตกมีแมมมีรูปแล้วไม่ให้มีรู้ทำไม่ได้เพราะไปเป็นเงาของรูปดังนั้นเมื่อมันถึงจุดนี้ได้เนี่ยทำให้ท่านรู้ได้ว่าพบสิ้นแล้วได้ไหมเอามายช้ า, ชาบอย ก, <c oughs> ก็ฉันไม่ใช่อหรหันต์ก็คือในการมองพอมาถึงจุดที่สิ้นตัณหาแล้วเข้าใจกลไกลเขาแล้วถึงจุดที่ทำให้จิต กำลังทรงบนความดับให้เห็นอยู่ในขณะที่ตนกำลังดาลงอยู่นั้นเลยเนี่ยหรือว่าสัญญาเวทนาสังขาร น, นั้นดับให้เห็นทรงอยู่อย่างนั้นเนี่ยทำให้ท่านรู้ได้ไหยว่าพบสิ้นแล้วรู้ได้รู้ว่าพบสิ้นแล้วหมายถึงต้องสิ้นลมตรงนั้นไหมคำว่าสิ้นแล้วก็หมายถึงรู้แล้วว่าการเกิดอีกต่อไปไม่มีรู้ได้ว่า การทรงอยู่ของสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณที่ทรงมายาวนานเนี่ยมันถึงจุดที่ทำให้สิ้นสุดได้แล้วในอัตภาพแต่การจะดับสนิทลงไปโดยบริบูรณ์จะดับได้เมื่อกายแตกแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่แค่ดับได้ด้วยพะวะของการเข้าไปทรงอารมณ์ทรงอารมณ์เขาเรียกนิพพานดิบมันมีนิพพานดิบนิพพานสุข นิพพานดิบคือทรงอยู่โดยมีรู้ประคองรู้อยู่กับนิบพพานสุขคือดับไปเลยมันมีนิพพานดิบกับนิพพานสุขอรหันเนี่ยถึงนิพพานดิบก่อนมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ก่อนและรู้ได้ว่าจิตที่มาถึงอารมณ์ตรงจุดเนี้ยเป็นจิตที่ทําให้สิ้นสุดการสืบต่อได้แล้วพอมองเห็นอย่างนี้ ญาณอย่างรู้ในความหลุดพ้นตรงนั้นเขาเรียกวิมุตติญาณทัศนะก็ทำให้รู้ได้ว่าพบสิ้นแล้วคำว่าสิ้นแล้วคือสิ้นแล้วเป็นอัตภาพสุดท้ายนี้ไม่ใช่ใหมายถึงตายนะคือรู้ว่าพบสิ้นแล้วคือรู้ด้วยอะไรปัญญารู้ว่าขันเนี้ยมาถึงที่สุดแล้วยังมีการทำงานอยู่ช่วเวลาที่กายยังไม่แตก เป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นแหละตนเองทําให้สิ้นสุดได้แล้วจึงรู้ว่าพบสิ้นแล้วพอรู้ว่าหมดความเป็นก็รู้ว่าการงอกอีกจะมีได้ไหมไม่ได้ก็รู้เมื่อพบสิ้นแล้วชาติก็สิ้นแล้วการเกิดอีกต่อไปไม่มีท่านใช้คําว่าอีกต่อไปนะการมองเห็นความสิ้นไปของตัณหาในภายใน แล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์กับการมีปัญญารู้ได้ว่าขันนี้เป็นอัตภาพสุดท้ายเนี่ยทำให้เข้าใจได้ไหมว่าพบสิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วเข้าใจได้จําเป็นต้องตายทันทีที่สิ้นตันหามะไม่จําเป็นไม่ใช่ว่าสิ้นตันหาตันหาดับอุทานดับพบดับชาติดับอหรหันตายก็ไม่จําเป็นแต่มันเป็นความเข้าใจทางปัญญาที่รู้ได้ว่าเมื่อตันหาดับเนี่ย จิตทรงภาวะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยก็รู้ได้ขันนี้มีอยู่เป็นอัตภาพสุดท้ายทําให้พบสิ้นแล้วทําให้ชาติสิ้นแล้วอันนี้คือกลไกทางปัญญาล้วนๆเลยทังนั้นคําว่าพบในที่เนี้ยก็หมายถึงความเป็นความเป็นโยมยังมีความเป็นไหมมีน ะ, ะยังมีความเป็นตอนเนี้ยมีรูปก็ยังมีความเป็น กายแตกแต่จิตยังไม่ดับเนี่ยโยมยังมาเยี่ยมญาตได้อีกไหมได้ก็ยังมาเข้าฝันได้ ก, ก็ยังมีความเป็นยังไม่ดับก็ยังเป็นอยู่แต่ถ้าดับสนิทหมดตรงนั้นจะเหลือความเป็นไหมไม่เหลือแนละ้วดับสนิทหมดเลยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะงอกได้อีกต่อไปถ้า ง, งอกไม่ได้ก็หมายถึงหมดความเป็น คำว่าพบคือความเป็นและความเป็นในที่นี้ใช้ความรู้สึกไหมใช้ความรู้สึกของจิตไหมความรู้สึกของจิตเขาเรียกเวทนาใช้ความคิดมะความคิดเขาเรียกสังขารใช้ความจำไหมความจำเขาเรียกสัญญาหน้าตาของพบต้องเห็นด้วยอะไรปัญญาด้วยปัญญาเท่านั้นนั้น ขันของเราไม่เคยดับสนิทมาเลยยาวนานแสดงว่าภพเราเคยขาดไปไหมไม่เคยถ้าเราสิ้นภพมาตั้งแต่สมัยไหนป่านนี้เราจะเกิดไหมมันก็ไม่เกิดนั้นแสดงว่าภพเนี่ยเคยดับไปสักช่วงหนึ่งไหมไม่มีเลยเมื่อไม่เคยขาดไปเลยแสดงมันเกิดการทรงตัวมายาวนานก็เรียกพระวาสวะคือหมักมานานละความเป็นไม่เคยขาด เมื่อยังมีพบก็มีชาติดังนั้นคำว่าพบก็หมายถึงภาวะที่ขันยังดับไม่สนิทแล้วขันอะไรที่ดับไม่สนิทถ้ากายแตกวิญญาณขันถูกไหมวิญญาณขันอยู่โด ด, โ ด, ดได้ไหมไม่ได้มันต้องอยู่กับสัญญาเวทนาสังขารมีสัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีเวทนาสังขารได้ไหมก็ไม่ได้มีเวทนาโดยไม่มีสัญญาได้ไหม ก็ไม่ได้เขาอยู่ได้กันอีกเหมือนกันนั้นเมื่อวิญญาณมีอยู่ก็หมายถึงอะไรยังมีอยู่สัญญาเวทนาสังขารกลายเป็นขันธ์กี่ขันธ์สี่ขันธ์ในขันธ์สี่ขันธ์ที่รู้รู้อยู่กับสัญญาเวทนาสังขารอยู่ตรงนั้นนะ่ะตรงนั้นคือผัสสะในตัวมันเองไหมผัสสะรู้ต่อสัญญาเวทนาสังขารก็รู้ต่อความจำก็สัมผัสกับความจำ เคยไหมสัมผัสความจำอะไรเราคิดขึ้นมามีไหมสัมผัสความรู้สึกแล้วคิดเนี่ยมีไหมมีสัมผัสความคิดอะไรขึ้นมาแล้วดึงความจําเนี่ยมีไหมมีสัมผัสความคิดอะไรแล้วมันดึงความรู้สึกนี่มีไหมมีคิดเรื่องอะไรสักอย่างขึ้นมาเพโกรธขึ้นมาอีกทีรู้สึกไหมพอรู้สึกแล้วสัมผัสความรู้สึกก็ตุ้นให้คิดได้ไหมก็ได้อีกเนี่ยมันเลี้ยงตัวมันเองอยู่อย่างนี้นั้นสัญญาเวทนาสังขารเมื่อมีอยู่ มันจะไม่มีรู้อยู่อยู่กับมันได้ไั้มก็ไม่ได้พอคิดเกิดขึ้นรู้คิดมาเลยรู้สึกเกิดขึ้นรู้รู้สึกมาเลยจำอะไรรู้จำมาเลยพอรู้ตั้งอยู่กับขันตรงนั้นคือผัสสะถูกไหมพอผัสสะเกิดขึ้นเอาอีกแล้วสัญญาเวทนาสังขารเกิดอีกแล้วพอสัญญาเวทนาสังขารตัวใหม่งอกรู้มาด้วยอีกแล้วพอรู้ตั้งอยู่กับมันตรงนั้นเรียกอะไรอีกแล้ว ผัสสะอีกแล้วพอมีผัสสะอี ก, ส, ญญ ส, อ ก, อกอสัญญาเวทนาสังขารตัวใหม่งอกอีกแล้วแล้วทำไงอ่ะทีนี้ไม่ขาดเลยนั้นสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกันเลยแยกจากกันได้ไหมไม่ได้แยกไม่ได้เลยและไม่เคยขาดหายไปเลยจากสักช่วงเวลาของการมีอยู่ของระบบชีวิต สัญญาเวทนาเจตนาภาษามนุิการและวิญญาณหกตัวเนี่ยทรงตัวตลอดการทรงตัวตลอดก็คือเหมือนกับหลอดไฟที่เปิดไว้ค้างเลยตลอดเวลาแต่การทรงตัวตลอดของเขาเนี่ยในเนื้อตัวมันเองสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณใช่ตัวเก่าไหมไม่ใช่การเกิดดับอย่างรวดเร็วอยู่ในตัวมันตลอดเป็นตัวใหม่ แต่การเกิดดับอย่างรวดเร็วเนะี่ยมันมีปฏิกิริยาที่ปรับกลุ่มพลังงานเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงผ่านวันคืนให้กลุ่มพลังงานของแต่ละคนเนี่ยมีความต่างกันพลังงานบางกลุ่มเนี่ยเกิดดับสัญญาเวทนาสงนังขารแต่เรื่องดีดีมีไหสัญญาแต่เรื่องดีดีแง่จำแต่เรื่องดีๆรู้สึกแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆสัมผัสอะไรแย่แย่ก็คิดดีสัมผัสอะไรแย่แยก็รู้สึกดี สัญญาเวทนาสังขารในมุมบวกมันทําให้กลุ่มพลังงานเนี่ยสะอาดได้ไหมเพราะกลุ่มพลังงานสะอาดการพิจิตรใจที่ดีงามเนี่ยไปสัมผัสอะไรเรื่องแยก่ก็มองดีเรื่องลบก็มองดี <c oughs> ก็กลายเป็นยิ่งเติมให้สะอาดกับถ้าสัญญาเวทนาสาังขารหรือการกระทําในทางที่ไม่สะอาดเกิดขึ้นกลุ่มพลังงานนี้จะมองได้ไห ม, มองได้่ังนั้น ผ่านวันคืนเนี่ยสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณถึงแม้เกิดใหม่เกิดดับเกิดดับก็ตามเนี่ยการเกิดดับตลอดเวลามันก็แยกส่วนกันก่อเกิดทั้งเป็นส่วนที่อยู่ในรูปบารมีกุศลอกุศลอยู่ตลอดเวลาทำให้จิตแต่และจิตเนี่ยมีพลังงานของการทรงตัวที่ปลังใสกระจ่างแข็งแกร่งเบาบางหนาหนักอะไรเนี่ยไม่เท่ากันหรอก จิตของแต่ละจิตจะใส่ไม่เท่ากันสว่างไม่เท่ากันมีพลังไม่เท่ากันเย็นไม่เท่ากันอ่อนไม่เท่ากันกระด้างไม่เท่ากันขึ้นอยู่ว่าสั่งสมอะไรผ่านการเกิดดับด้วยรูปทรงอะไรมานี่นคือการทรงอยู่ของพลังงานที่ทรงตัวบนความเกิดดับที่มีอยู่ในภายในสัญญาเวนาสังขารมิจญาณมีตัวเก่าไหม ม, ตมตีตัวใหม่ตลอดตัวใหม่ตลอดแล้วเร็วมากคำว่าเร็วมากเมื่อกี้อาจารย์เอาคืนไดไหมไม่ได้ยมขยับตัวเอาไอที่ขยับเมื่อกี้คืนที่เนี่ยมันปรุงตลอดเนี่ยคือส่วนของสังขารละคันปรุงตลอดนั้นห่วงโซ่ปฏิจจสุ บ, บัติพระเจ้าเราเนี่ยท่านคนจากล่างขึ้นบนคนจากอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงทำให้มี การเกิดเพราะอะไรจึงมีชาติเพราะอะไรจึงยังมีการเกิดอยู่คำว่าเกิดในที่เนี้ยก็หมายถึงการเกิดนะะั่นล่ะภาษาก็ต้องตรงไปเลยเหตุที่ยังมีการเกิดเพราะว่าขันยังดับไม่สนิทการที่ดับไม่สนิทท่านใช้คำว่ายังมีความเป็นยังมีความเป็นเพราะยังมีความเป็นจึงยังมีชาติ ยังมีการเกิดเพราะต้นไม้มันยังเป็นมันจึงงอกได้อีกมันจึงแตกได้อีกเพราะยังมีความเป็นอยู่เพราะขันดับไม่น mondo, สนิทการเกิดอีกต่อไปก็มีเพราะพบสิ้นแล้วขันดับสนิทแล้วคือคำว่าพบสิ้นแล้วคือความเป็นสิ้นไปแล้วการเกิดอีกต่อไปก็ไม่มีหรือว่าพบสิ้นแล้วคือ รู้ด้วยความรู้สึกหรือรู้ด้วยปัญญาปัญญาการรู้ด้วยปัญญาเนี่ยเาเรียกมีวิมุตติญาณทัศนะที่รู้กลไกาการเกิดตายและมองเห็นระบบตรงนี้จึงรู้ฐานะตนว่าพบสิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วการเกิดอีกต่อไปไม่มีแล้วอันนี้คือปลายทางของการปฏิบัติ คำว่าพบเนี่ยตรงข้ามกับอะไรความความดับพบตรงข้ามกับนิพพานนิพพานคือความดับพบคือความเป็นเมื่อดับก็ไม่เป็นเมื่อเป็นก็ไม่ดับเป็นก็ไม่ดับยังเป็นอยู่เั้นการตายของคนเราเนี่ยใช้ภาวะที่ดับสนิทไหมไม่เพราะดับแค่ขันเดียว เจ้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันดันยังไม่ดับเมื่อไม่ดับก็เรียกว่ายังเป็นยังมีความเป็นเมื่อยังมีความเป็นการเกิดอีกต่อไปก็มีนั้นชีวิตของคนเราที่ยังมีความเป็นอยู่ความดับยังไม่มาเยือนสักทีเนี่ยการจะไม่เกิดจะมีได้ไหม ฟังจะชาคือถ้ายังเป็นอยู่เนี่ยจะไม่เกิดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมง่ายเพราะว่าชาติจะยังมีเพราะมีภพเพราะมีภพจึงมีชาติภพดับชาติก็ดับอย่างเดียวเท่านั้นชาติมีหรือการเกิดยังมีเพราะยังมีภพถ้าภพดับชาติก็ดับ พระ อ, องค์รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพอพระ อ, องค์เข้าถึงอะไรได้แล้วความดับพอเข้าถึงความดับก็เลยรู้ว่าพบสิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วดังนั้นถ้ายังมีพบก็จะยังมีชาติถ้าจะทำให้สิ้นสุดการเกิดก็ต้องทำให้พบมันทำไมดับอย่างเดียวเท่านั้นเลยคำว่าพบดับหมายถึงอะไรมันดับขันหาดับสนิท ไม่มีส่วนเหลือนี่ก็เรียกว่าพบดับพบดับชาติก็ดับแต่ถ้าขันห้าดับไม่สนิทมันเหลือไหมเหลือเมื่อยังเหลือก็เรียกว่ายังมีความเป็นยังมีความเป็นยังดับไม่สนิทเหมือนโยมดับไฟเนี่ยคิดว่าดับสนิทแล้วแต่มันยังดับไม่สนิทไฟมันลุกอีกได้ไหมได้ถ้าดับสนิทแล้วมันจะลุกขึ้นมาอีกได้ไหมไม่ได้ พลังชีวิตที่ยังดับไม่สนิทนี้ก็เหมือนกันถึงกายแตกไปแล้วถ้าดับไม่สนิทเขาก็แตกตัวอีกถ้าดับสนิทเขาก็แตกตัวอีกไม่ได้เหมือนไฟไปก่อกองไฟน้ำสาดลาดคิดว่าเรียบเนียนหมดแล้วแต่มันยังดับไม่สนิทเนี่ยโดนลมเหมาะสมเขารุกขึ้นอีกได้ไมได้นี่คือคำว่าดับไม่สนิทคาว่าดับสนิทไว้ใช้กับนิพพาน ถ้าไม่สนิทก็เรียกว่ายังมีพบหรือยังมีความเป็นนั้นพบเนี่ยให้เข้าใจว่าไม่ใช่ความรู้สึกความรู้สึกที่เรียกว่าพบหน้าตาเป็นไงใครหาความรู้สึ ก, กพบให้อาจารย์ดูนะดิพบที่มันอยู่ในรูปความรู้สึกอะหน้าตาเป็นไงไม่มีถ้าคิดว่ามีเราอั น, นั่นก็ไม่ใช่พบอั น, นั่นก็เรียกว่าความคิด ถ้ารู้สึกว่ามีเราก็ไม่ใช่เรียกว่าพบนั้นเ็าเรียกความรู้สึกเียกเวทนาถ้าเชื่อว่ามีเราก็ไม่เรียกว่าพบนั้นก็เรียกความเห็นเห็นว่ามีเราก็ไม่ใช่พบอีกถ้ายึดถือว่ามีเราก็ไม่เรียกว่าพบเขาเรียกอุปาทานยึดถือว่ามีเราพบหน้าตาเป็นไงไม่มีหน้าตาแต่ต้องรู้ด้วย ปัญญาว่าอันนี้ยังเป็นอยู่ขันยังดับไม่สนิทเนี่ยฉันยังดับไม่สนิทโยมตอนนี้รู้ได้ไหมว่าขันยังดับไม่สนิทรู้ไหมเมื่อรู้ว่าขันดับไม่สนิทรู้ได้ไหมว่าฉันยังต้องเกิดอีกเน่ยรู้ถูกไหมก็รู้ว่าพบฉันยังอยู่การเกิดอีกต่อไปของฉันก็ยังมีเพราะมีพบก็มีชา แต่ถ้าวันหนึ่งโยมทำให้จิตเข้าถึงอารมณ์ที่มองเห็นเลยว่ามันดับสนิทให้เห็นเลยเนี่ยโยมจะรู้ได้ไ้ยว่าขันนี้จะดำรงอยู่เป็นอัิภาพสุดท้ายรู้เมื่อรู้อย่างนั้นรู้ได้ไมว่าพบสิ้นแล้วพบสิ้นแล้วเมื่อรู้ว่าพบสิ้นแล้วก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วต้องตายไหมยังไม่ต้องตายนะยังไม่ต้องตาย เขาถึงการรู้ความดับแล้วด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความรู้สึกรู้ว่าสิ้นเกิดตายนเขารู้ด้วยวิมุตติญาณทัศนะไม่ใช่ความรู้สึกได้ความรู้ชั้นวิมุตติญาณทัศนะความรู้ตรงนี้คือตัวความรู้ไม่ใช่ความรู้สึกการจะรู้จักพบต้องรู้ด้วยความรู้สึกรู้ด้วยปัญญาปัญญาดังนั้น ใครที่มองเห็นพบขึ้นมาในใจเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงพบเป็นสิ่งเกิดดับได้ไหมพบเกิดดับได้ไหมพบไม่ใช่สิ่งเกิดดับแต่พบจะยังมีถ้ายังมีอุปท า, านแต่ขันห้านะ่ะเกิดดับขันห้าเกิดดับในการเกิดดับของขันห้าทำให้ขันยังทรงตัวไหมเป็นพลังงานที่ทรงตัวมันเคยมีช่วงไหนที่มันขาดไปไหม ไม่มีเมื่อถ้าพบมันเกิดดับก็หมายถึงว่าพบคือความเป็นถ้าความเป็นสิ้นไปคือดับไปแล้วมันจะเกิดไปอีกได้ไห ม, ไมไ ด, ดังนั้นคำว่าพบจะใช้ว่ามันเกิดดับได้ไม้มไม่ได้ถ้าพบดับเมื่อไหร่ก็หมายถึงจะงอกอีกได้ไั้ยไม่ได้แล้วดังนั้นคำว่าพบเนี่ยคือสิ่งที่ทรงตัวถ้าดับคือดับทีเดียวเมื่อสิ้นตัณหาแล้วจบ คำว่าสิ้นภพเขาจึงใช้กับบุคคลประเภทเดียวคือใครพระอรหันต์เดี๋ยนี้ใช้กันเลอะไปหมดเลยดับภพบกันเยอะแยะเต็มไปหมดถ้าภพดับนั้นหมายถึงว่าสิ้นความเป็นเลยอนะันี่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายนะเราค่อยไล่ปฏิจจสุปาทตั้งแต่ชาติขึ้นไปถึงถึงไหนก็ถึงนั้น คงไปได้ไม่ไกลแค่ยังไม่ทันเริ่มันไปจมอยู่แถวพบเนี่ยจะต้องให้เห็นภาพว่ามันมีคู่ตรงข้ามกันอยู่พระเจ้าจึงมาบัญญัติคําว่าพบขึ้นได้ถ้าพระเจ้าไม่เจอสิ่งที่เป็นความดับเนี่ยจะบัญญัติคําว่าพบขึ้นมาได้ไหมไม่ได้เพราะพระองค์ไปเจอความดับสนิทของขันนะจึงรู้ได้ว่ามันมีสิ่งที่ดับไม่สนิทพอรู้ว่ามันยังมีการดับไม่สนิท จึงรู้ว่ามีการเกิดพอไปเห็นความดับสนิทก็รู้ว่าการเกิดสิ้นสุดแล้วนั้นคือภาะวะที่พบว่าเมื่อดับสนิทการเกิดสิ้นสุดถ้าดับไม่สนิทการเกิดก็ยังมีอยู่นั้นคว่าพบคือความเป็นโยมยังมีพบั้มมีนะสิ้นลมไปแล้วยังมีพบั้มมีเพราะว่ายังดับไม่สนิท ตรงนี้รู้ด้วยปัญญาพอสมควรยังไปไม่ถึงไหนเลยนะปฏิบัติยากไหมยากนะโยมเข้าใจไหมเข้าใจยากยังเข้าใจอีก <laughs> ไม่ธรรมาดา <laughs> ก็ข อ, อนโมทนานะเดี๋ยวญาติโยมก็แยกย้ายไปเตรียมตัวทานอาหาร ม, มีตำเกิดนะที่นั่งอาจารย์ไม่ได้เตรียมไว้ให้พร้อมโยมจะได้นั่งกระจัดกระจายไปทั่วดูดนะีอยากนั่งทานตรงไหนโยมก็ตักไปเลยเนะชิญ